โคนต้นไม้ใหญ่ระย้ายิ่งกิ่งใบดกปกน้ำลานหินเชิงชายเขาร่มพื้นเงาพริกษาดาวระยิบน้ำข้าง ย, ย้อยหยาดลงมารอกกยายเส้นเย็น่าชุ่มชื้นสงัดเงียบยามนึกเดินคืนนั้นภาวนา จะยาการเพ่งอยู่จุดนั้นไม่เลื่อนเพื่นคลาโดยปาฏิโลมและอนุลมไปมาพบญาณนาน า, นาตั้งกับกา เที่ยวเนียวแน่นฉลาดแหลมพมโหลดเล่นสุดแสนว่องไวดับวิชาตัวนี้ต้องมีพลังหลักใจมหาสติมหาปัญญาเข้าชิงชาย เทียบเทียบไปค ล, ล้ายอาวุธคมกราตอบโัวนี้นำนาเพื่อคว้าโชคชยัยไม่ยอมแพ้ยอมท้อใดๆถอดใจหลีกนีไม่คำนึงแม้ถึงชีวิยอมรีถวายจนฝ่ายกรรษัตริย์วัดตัดจักหัก ทำลายไร้บัลลังก์อำนาจฤทธิเดชพังพินาศขาดศูนสิ้นไป <S <S สิ้นทางลบดีได้ด้ เชื้อมอดไหมแตกแหลกล้มทลายเยื่อใยไม่เหลือกลายกล้ำจึงเหลือแต่วิสุทธิธรรมครองใจตั้งแต่สองทุ่มถึงตีสา จิตใจซึ่งสานไปทั่วร่างจิตแจมจ้ากระจาสว่างสวัยสุดปัจจรรย์มวลหมูม่เทวาบุตรเ ท, ทวาธิดาทุกขัน ขึ้นในโลกอีกแล้วทั่วน้าพัสว่างสวยัยมองหุนได้เพริศแรงทั้งเบื้องบนเบื้องล่างต่างวาแววเปริดราวแพร่โลกกระาตไายวันเอทุกภูมิทุกขันกล่าวคา เมื่อกษัตริย์อวิชาดับชาติขาดพบลงไปแล้วขณะนั้นเหมือนโลกธาตุวันไหวเสียงเทวบุตรเทวทิดาทั่วไปประกาศกล้องสาธุการว่าสิทธาคตนั้นปรากฏขึ้นในโลกอีกหนึ่งองแล้วพวกเราทั้งหลายมีความยินดีและสุขใจกับท่านอย่างล้นพลพอความอัศจรรย์สะเทือนโลกธาตุผ่านไปแล้วคงเหลือไวแต่วิสุทธิธรรมภายในใจและแผ่กระจายไปทั่วสารพางกาย ให้รู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นการตายและการเกิดที่อัศจรรย์ไม่มีอะไรเทียบได้จิตใจของท่านเวลานั้นหนักไปทางรำพึงถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้บรมครูทรงรู้จริงเห็นจริงและสั่งสอนเวนัยยะเพื่อวิมุตตหลุดพ้นจริงๆไม่มีความโกหกหลอกลวงแฝงอยู่ในพระอุาทแม้บทเดียวบาทเดียวเลยตลอดคืนนั้นท่านปรงความสลดสังเวชในความโง่เขลาเต่าตุนของตัวท่านเอง ซึ่งเปรียบเหมือนหุ่นตัวท่องเที่ยวในพบน้อยใหญ่ไม่มีประมาณจนน้ำตาไหลตลอดคืนและกราบพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อย่างถึงใจโดยกราบแล้วกราบเล่าอยู่ทํานองนั้นไม่อิ่มพอตลอดคืนในคืนนั้นชาวเทพทั้งหลายทั้งเบื้องบนชั้นต่างๆทั้งเบื้องล่างทุกทิศ ท, ทุกทางหลังจากพร้อมใจกันสาธุการประสานเสียงสาเนียงไพเราะจนสะเทือนโลกธาตุเพื่อประกาศอนุโมทนากับท่านแล้ว ยังพร้อมกันมาเยี่ยมฟังธรรมกับท่านอีกวาระหนึ่งแต่ท่านได้ให้อานักสัญญาณบอกพวกชาวเทพทั้งหลายทราบว่าท่านยังไม่ว่างโอกาสหน้าค่อยมาใหม่ชาวเทพทุกภูมิพากันกลับไปด้วยความสมนัตยินดีโดยทั่วกันที่ได้มาพบเห็นวิสุทธิเทพในคืนแรกที่ท่านเห็นธรรม